อโอกาสนี้คุณา่านันพุทธวิศัชโดยพากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วสำหรับวัันนี้ก็อย่าพูดต่อมาวันๆแต่การเริ่มต้นก็ขอให้ทุกคนพยายามฝึกอรมไว้วิธีการนะครับดึมให้ใจเขาออก เรียกว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะการรู้ลมให้ใจเข้าใายใจออกเป็นการนะครับประการปุ๊งสร้างของจิตหรือว่าเราิบายกจะมา骂พูดมามากันมา骂ยังไม่ยอมจะพูดซ้ำไม่อยากจะพูดซ้ำสำ <c oughs> หรับวันนี้ก็ ย, ยินดีกราบถงเรื่องพระสูดาบันกสกิธาคามีต่อไป ดูว่าพระสงฆ์ดาบักญัิสิกขาคารมีละสังโยเทศเมกันแต่ดูว่านี่จะอาจารย์ระงับต่างกันหมายถึงว่าพระสิกขาคารมีนี่เป็การระงับที่ว่าทําะโลภโทสะโก ห, หะ้บาโลงสำหรับพระสิกขาคารมีเบื้องต้น เรื่องวันนี้ภาษกิธาคารมีมักในขก็ได้แก่เสืยพยายานเป็นสำคัญเราพยทานที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยรลมีหารสีผลมีหารสีถ้ามีอยู่ในใจก็มีแต่ความรักความสงสารปัดความอิจฉาเสียมีรมวางเฉย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 อย่าทำตนเป็นโจรเป็นเนนจงเป็นเนนอย่าทำตนเป็นโจรคำวาโจรหมายว่าปล้นความดีของพระพุทธศาสนาะปรับตรงใจคนตนเองเป็นสำคัญถ้าทุกคนปรับตรงใจคนตนดีแล้วมันก็ไม่มีเรื่องไปยุ่งกับคนอื่นไม่สร้างคนอื่นให้มีความเราร้อนในการที่จะเพ่งโทษคนอื่นจงรู้ตัวว่าเราเลงเกินไป นี่จงรู้สึกตัวไปเสมอรู้สึกตัวเราเลวมากจนกันต้องมันขังอยู่ในใจไม่ได้มันจะึงจอรุตสานไหลามาจากทางวาจาไหลามาทางทางก า, ายนี่มันจนมันต้องมันไหลามาทางวาจาและทางกายนี่สดงว่าความเลวมันล้นมาจากจิตนี่ข้อนี้ต้องคิดไว้เป็นประจำ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 เมื่อมีจิตเมตตาความรักตุนาความสงสารมีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดศยลกายเห็นใครได้ดีก็ ย, ยินดีด้วยและมีรมวางเฉยตามขุดของกรรมยอมรับนับผืต่อสของกรรมและพยายามเพ่งโทษโจดความชั่วของตัวอยู่เสมออย่าไปโทษโจดความชั่วของคนอื่น หายใจปัญญาพูดจดความชัว่วของคนอื่นแสดงว่ายังเร็วอยู่ยังมีความอิจฉาในใจคนอื่นยังเร็วอยู่พูดเสียสีค่อแะของคนอื่นยังเร็วอยู่สร้างกรรมชั่วผิดธรรมที่ในมันยังเร็วอยู่นี่พยายามมองความเร็วในใจของเราเป็นสำคัญ ถ้าใจของเราไม่เลวเราก็ไม่มีการแพงโทษกัวคนอื่นไม่เสียสีกัวคนอื่นไม่ไปทุจร้ายกัวคนอื่นในเรื่องนี้เขามีหานสีมีอยู่เมื่อเขมีหารสีมีความละเอียดทรงตัวดีจึงจะมีอภัยทานได้คําว่าอภัยทานเนี่ยมันมีกําลังหนัก ด้วยวหลักกว่าก็มีหานสี่ธรรมดาก็มีหานสี่ธรรมดาแล้วเรามีนี่แล้มีจิตไม่ตาความรักกรุณาความสงสารแล้วมีรักแล้มีสงสารไม่ฉานเสียเขาสําหรับอภัยทานนี่ต้องใช้รมสูงไปกว่านั้น ว่าเราต้องให้อภัยตับคนที่สร้างความชั่วให้เกิดขึ้นกับเราสร้างความเบือหนให้เกิดขึ้นกับเราแทนที่เราจะโกรธแทนที่เราจะยาบาทเรามีจิตคิดให้อภัยในความเลวของเขาโดยมีความสุรู้สึกคิดว่าบุคคลคนนี้มีสภาพเป็นชาิ <c oughs> ไม่มีความเป็นไทยคำว่าทาตเป็นคนชั้นต่ำเป็นพระลักโบดตระนักโบดชั้นต่ำเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นต่ำเพราะยังมีจิตเป็นทาตอยู่ยังไม่เป็นไทยอยู่ในเตียถูกบังคับบัญชาให้ทาอยู่เสมอทาตคน ยังดียังมีโอกาสหาความดีมาใส่ตนได้ถึงแม้ว่าเป็นทาสเป็นทาสของคนดูตัวอย่างนางบุญทาสีเป็นทาสของกษัารุย์รับใช้เจ้านายตุอรเวลาไม่มีค่าจ้างรางวันก็เป็นทาสแต่ว่านางบุญทาสีก็ยังมีจิตเป็นกุศล มียอมรับนักถือความดีขององค์สมเด็จพระทศกุล น, นายใช้ให้ไปธุระให้ขิดทางไกลานางก็ทำเป็นจีได้รำกับารข้าวปิ่งแล้วก็ห่อชายพกไปหวังจะไปกินตำทางในเวลานั้นปรากฏองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากับกระอนนนท์ เดินผ่านมาพอดีนามบุญพาสีมาคิดในใจว่าเราเป็นท้ายเขาบางครั้งเรามีศรัทธาเจือพระแต่ไม่มีอะไรจะถวายบางครั้งเรามีของจะถวายพระก็ไม่เจือพระหาพระยาก วันนี้เราเจอองค์สมเด็จพระพูมีพระพาเจ้าและพระอานนท์เรามีเป็นลจีทําด้วยรำกับลายข้าวะสมกันพอชายพกมาเราจะของอันนี้ถวายองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อสมเด็จกระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาใกล้นานก็นิมนม์ให้หยุด แล้วแก่ชายพกเอาเป็นจีมาใส่ลงไปในบายพระองค์สมเด็จกษัริสัมหาส ม, ม, าสมุทเศราเ <c oughs> มื่อใส่ลงไปแล้วนางก็คิดว่าตามธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไปฉันในสานักของพระราชาบ้างในสานักของมาหาเศรษฐีบ้างฉันแต่ของดีในของพวกเราเนั้นเป็นของเลวพระพุทธเจ้าคงไม่ฉัน แต่ว่าอาศัยที่เรามีตั้งใจเป็นองสนองค์สมเด็จพระพุทธาปณจจะฉันเรือไม่ฉันเขาช่างเราหวังถวายกันเอาบุญเท่านั้นเมื่อนานคิดแบบนี้องค์สมเด็จพระจินทาสีี่เลยมองดูหน้าอานนนี่เขาคิด่ยเขาไม่ได้พูดถ้าอนนทรู้ท่าเจนี่ปูสังข้าสลตีโล ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทับที่ตรงนั้นฉันเป็นจีของนางบุญทาสีในขณะนั้นกลางทางนั่นเองนางบุญทาสีดีใจเกือบตายนั่งลงยกมือไหว้พนมตลอดเวลาด้วยความเพลิดพลิมใจอย่างยิ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฉันเสร็จก็โมทนา เมื่อโมทนาจบนางบุญทาสีก็สาเร็จเป็นประสนาปฏิผลเป็นพระอาริยะโมคคลเบื้องตนนี่นแดงว่าความเป็นทาาของคนคนเป็นท่า ค, คนถึงแม้ว่าจะไม่มีอิสระภาพเป็นตัวของตัวเองก็จริงแหละแต่ถ้าว่าใจมีอิสระสามารถจะประกอบความดีจะคิดถึงความดีได้ แต่เราจึงคิดใหม่ว่าสําหรับคนที่เขามาสร้างความชั่วให้สเทือนใจเรานั่นเขาเป็นทาาของกิเลสตัณหาอุปาทานลาภุศนกรรมท่าของกิเลสตัณหาอุปาทานลาภุสนกรรมนี้ไม่มีทางที่จะคืนตัวได้ ความเป็นอยู่ของเขาใน ส, สมัยชาติปัจจุบันที่เป็นมนุษย์เขาก็มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความเศร้าหมองจิตก็วิเลดมัน ท, ทําจิตให้สมองปัญหาสร้างจิตใจให้ร้ายเร่ราร้อนอุปาทานที่ยวกันเกาะความทั่วเป็นปกติทักษุผลลัรมทํา ค, ทความทั่วตลอดเวลา คนที่เป็นทายของกิเลส ต, ตายแล้วไม่มีโอกาสจะเกิดเป็นคนแม้จะเกิดเป็นสัตว์เลี้ยฉันก็ยังเกิดไม่ได้ต้องไปเกิดในอมไบยะภูมินี่ถ้าบุคคลคนใดทําใจของเราให้เราร้อนในกายกรรทําด้วยก า, ายก็ดีโดวยวิจิกรรมธรรมวิจารก็ดี เราจึงคิดว่าคนประเภทนี้เขาไม่ใช่คนคือเขาคือสัตว์นรกนาบายาภูมินั่นเองเราก็คิดว่าถ้าเราจะไปต่อร้อต่อเสียงต่อเทียงจะกระทาตอบเราก็จะเลวตามเขาเวลานี้จิตใจของเราของเขาจมลงไปแล้วในนรก ถ้าเราตามเขาทำแบบเขาบ้างเราก็จะจมลงนรกเหมือนกันมันไม่มีประโยชน์จิตเราก็ระงับความโกรธเติมนา่าขันติรูบเอะขารูบเบะข า, าเราใช้กระตรงนี้เฉยเขาเลวปล่อยเขาเลวไปแต่ผู้เดียวเราไม่ยอมเลวด้วย นอกจากนั้นก็มาคิดตรงอันิีจังโอเปตุย้ยนี่ตัวเขาเองมาก่อจะมาเกิดเป็นคนได้มันยากแสนยากคนที่มีจิตใจประเภทนี้มาจากมารกก่อนเดิมทีมาจากนรกตกนรกสิน้นระยะเวลาหลายแสนกับกว่าจะผ่นานนรกขึ้นมาได้ แล้วก็ต้องมาเป็นเ ป, นปรตมีทุกขเวท น, นายอย่างหนักแล้วก็มาเป็นอสุรกายมีแต่ความหิวโหยแล้วก็มามเกิดเป็นสัตว์เดิีฉันที่ไม่มีอิสรภาพ <c oughs> ใชเวลานานแสนานานจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เขาน่าจะรู้สิบตัวว่ากรรมชั่วเก่าของเขาที่ทำมันให้โทษเจ้หนัก น่าจะเป็นคนที่มีการกลับใจได้ดีสร้างความดีจากความเป็นคนให้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือเปื่อเขากลับมาหุนลงนรกอีกแบบนี้เป็นคนที่น่าสงสารคนให้อภัยเพราะอะไรเพราะใจของเขาไม่ใช่ใจคนจแต่เป็นใจสัตว์นรกควรให้อภัยเขา ถ้าเราไปต่อสู้กับเขาไปต่อน้อต่อเทียงตอบแทนเขาโดยการเช่นเดียวกันอารมณ์ของเราก็จะสา้างเกินไปนี่การให้อภัยทานรมช่ห้อภัยกันอย่างนี้แล้วก็จำมาดีว่าถ้าบุคคล ใ, เใดเนืกวพระองค์ใดเนตนองค์ใดปฏิบัติอย่างนั้นก็พึงรู้ตัวว่า เราจะมานั่งเจริญสมถธิกรรมฐานนิพพานากรรมฐานสักกี่แสนตีมันก็ไม่มีประโยชน์เลยกลับจะมีโทษอย่างหนักเพการเจริญกรรมฐานจะมีใจเลวมัอกลายเป็นมายาลออลวงบางคนอื่นให้หลงผิดคิดว่าเราเป็นคนเคร่้มขัดมัตยสัจคิดว่าเราเป็นคนดีนี่อารมณ์ความระ้สึกทาคามีเพียงตัวเดี อะไกล่าวกรรมีทีก็เรียกว่าสกิทาคามีมักยังไม่ได่สกิทาคามีผลเป็นอัว่าเรากําลังเดินเข้าไปหาความเป็นพระสกิทาคามีเนี่ลืมอาการอย่างนี้เป็นพระสกิทาคามีมักบนต้นสนิจว่าสกิทาคามีมักปฏิบัติอาการมาเช่นเดียวกับพระโสดาบัน คือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เรียกว่า ม, มรณานุสติกรรมฐานไม่รู้ตัวว่าจะตายก็มีความไม่สมายคิดว่าตายคราวนี้ต้องดีกว่าการเกิดมาคาวนี้ตรงนี้ก็ อ, อะไรก็ผู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนแล้วเราจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกก็ก็ ต, ต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้ ไม่จะมีสภาวะอย่างนี้ถึงไม่เะนั้นเราก็คนจะเป็นเชวันดาเร่อกันฉะนั้นเมื่อหลวงของพระโสดาบันและโสดาปติมักคิดอย่างนี้แล้วจะพยายามรวบรวมกำลังใจนึกถึงคุณความดีขององค์สมมาสมุทัเจ้าพระธรรมพระพระอริยสงฆ์มั่นอยู่ในคุณทั้งสามประการ ทบบี่รูว่าเราวั่นอยู่ในคุณนั้นสามระการนี้ถ้าตายไม่ลงนรกแน่แต่ก็ยังเอาแน่ไม่ได้พขาะเจะพลาดใดเร า, ราต้องปิดอวัยภูมิในการรักษาสิลงห้าให้บริสุทธิ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบปฏิมาอยังไม่ใช่อารมณ์ของพระโสดาปฏิผล พอถึงพระโสนดาปฏิผลอันดับแรกพอติดเข้าสู่โกธรภูยายในตอนนี้อารมณ์จะเริ่มเข้าจุดยอมรับนับถือกฎของธรรมดามันจะแก่มันจะป่วยมันจะตายใจรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาไม่มีความหนักใจ ใครเขากล่าวว่านินพาจะสนเสริญจะเสียสิอะไรก็ตามรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่จะไม่มีความไม่พอใจความไม่พอใจมีขึ้นเหมือนกันกระงัดได้เร็วไม่โตไม่ตอบเมื่อไม่โตไม่ตอบเขาเราก็ไม่ทำด้วยอาการอย่างนั้นเราไม่ทำเห็นว่าเป็นอาการเร็วเมื่อลมจักธรรมดาเป็นปกติ อย่างนี้เรียกว่าโคตรภูยานเมื่ออารมจับตะวันดดยอย่างนี้แล้วอารมณ์อีกส่วนหนึ่งก็จับปณิพันธ์นเป็นอารมณ์นี่เป็นโคตรภูย า, า, า, านเบื้องไกลเมื่อจับปริพันธ์เป็นอารมณ์ก็ถอยหน้าถอยหลังพิจานนาว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยง เราจะต้องยึดคุณปะพุธทธประธรรมประสงค์ยึดสินเป็นกําลังสําคัญเพื่อป้องกันอภัยภูมิและจิตใจของเราก็มีความวั่นคงในผลิภานสินห้าประการจะไม่ด่างไม่พร้อยสําหรับครรภัสสาหรับพระศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่ด่างไม่พร้อยสําหรับเนรสินสิบไม่ด่างไม่พร้อยมีอารมณ์รักษาสินเป็นปกติ ต้องต้องมีอารมณ์ชุ่มชื่นแจ่มใสการปฏิบัตใิในศีลในธรรมไม่ต้องระมัดระวังมันมีการทรงตัวของมันเองมีอารมณ์รักษามีหารสีเป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าพระโสดาบัิผลยังมีความรักยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ถือว่าไม่ทำทำไมไม่ละเมิดศีล รักอยู่ในขอบเขตของศีลรวยอยู่ในขอบเขตของศีลโกรธไม่ทําร้ายเขาไม่ฆ่าเขาเพระกลัวศีลขาดหลงก็จริแลแต่ตว่าไม่เียงความตายใจมันคงอยู่อย่างนี้เรียกว่าพระโสดาปติผลมี <c oughs> การเข้าถึงพ ร, ระโสดาะติผานี้ามีมาก็ยึดความมีหารสีเป็นสาคัญเพราะความมีหารสี่นี้ต้องมีมาจาก พระโสดาบันแล้วทำไมมีพระมีหารสี่สินไม่บริสุทธิ์นี่เขาถึงพก า, า, ากิทาคานมีมักเราก็มาจับอภัยทานเป็นสำคัญคิดแล้วมาอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าใจเราเลวคิดถึงใจอยู่เสมอใจเราจะไปดูใจคนอื่นไม่ต้องไปช่วยใครเราขเราขับเราเขถอดลกเรา เขาขัดเเกล้าจิตใจของเขา <c oughs> ช่วยเทวาเราให้มันรอดตัวแล้วกันถ้าหากว่าเราดีจริงๆแล้วเราก็ไม่มีการทำให้บุคคลอื่นให้เราร้มคนดีนี่มันไม่มีชั่วเมื่อใจพากเราดีใหญ่ตรงไปที่พรมวิหารสีใจมีอภัยทยัยมันมีอะไรบ้างในจิต ที่เราจะไปคิดกระทุษย์ไร้บคคลอื่นทั้งทางกายนวัตใจาให้เขาเราร้อนมันก็ไม่มีเนื้อกายอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสกิทาคารีมักยังไม่ถือศึกถึงสกทาคารีผลแลเรื่องพระสกิทาคารีผลนี้จะไม่พูดกันวันหลังต่อที่นี้ไปก็บรรดาท่านทั้งหลายตั้งกายให้รงบดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้เราไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามัธยาใช้ซึ่งก่ายเจดีนยนสัญญาบอกหมดลา